จะเริยนทำยามนี้นะคะทุกคนคะ่ะชาวรับสุขภาพคะก่อนที่จะไปบางคนต้องด่วนนะคะตอนนี้มีภารกิจเพราะฉะนั้นเราก็อขอสัมภาษณ์ในเรื่องของการเปิดใจเพียงที่คนที่จะไปก่อนเพื่อคุณหมอจะได้ดําเนินรายการเนะะื้อหาต่อไปนะคะคุณสำใช้มือที่หันหนึ่งก็จะเริ่มทำก่อนนะคะ เดี๋ยวขอเชิญคุณรายงานตัวเองเลยชื่ออะไรมาจากไหนอย่างไรนะคะเราก่อนจะมาเป็นยังไงไปที่ไหนมาบ้างแล้วมาที่นี่ได้อะไรกลับไปจะทำอะไรต่อไหมขอการเชิญเชิญงานตเมื่อกีครับทุกกานครับผมชื่อประสิทธิกำลังดีนะครับก็ชื่อในวัดก็เรียกว่าเดินดินก็เป็นชาวสุกนะครับผมป่วยเป็นภูมิแพ้ ในเรื่อลักสิบเจ็ปีแล้วมั้งครับได้กินยาโทรพร้อมกระพรูแพ้กลับมาด้วยเรื่องหลักๆคือแพ้ผมเชืรถกาแฟผมที่ผักผึ้งผักที่มียาครับผลไม้ที่มียาก็คันคันมากนะซึ่งก็เอ็นทนองเดียวว่าคุณพ่อนะจะไปเหมือนก็คันที่เดียวกันแต่คันในล่มผ้านะแต่ผู้วันต้องขัดนะก็ นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไปอื่นอีกบ้างก็นิดหน่อยนะฮะเรื่องของจริงๆแล้วก็คือเตรียมตัวมา ก, ก่อนป่วยทันี้มาเข้าภรรยาด้วยจนแม่บ้านมาด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็คือมาได้ครบเจ็ดวันนี้นะครับก็ <Okay. S 1> นี้จะกลับก่อนเพราะว่าลาราชการครบเจ็ดวันพอดีเอาเลยเอาเลยกันจริงๆแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเข้ามาที่ท่ายนี้นะครับก็คือ วันแรกก็เริ่มจมูกโล่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจมูกข้างขวาผมเนี่ยมันจะตันเป็นเหมือนกับว่าผลพวงจากไซนัสนะคะซึ่งหมอทางแพทย์แสนจีนนะฮะเขาก็บอกเขาก็ฝังเข็มให้บ้างแล้วก็คือว่าเขาบอกว่าจมูกของมันมันขี้ของมะอุบจะตันอยู่ข้างหนึ่งนะฮะก็คือก็เขเลยแต่ผมก็ฝังเข็มแล้วมันก็หายไปช่วงนึงก็เ่อเพื่อเขาช่ยฝังให้บ้างแต่แล้วไงก็ตามนี่ก็มาที่นี่ก็วันแรกก็เริ่มโลงแหละเริ่มโล่งไปแล้วแต่แล้วก็ไม่ค่อยด่วนมันจะพ่วงกัน เออจมูกตันแล้วก็ล้อนกรนนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องท้องอื่นนะครับก็คือว่าธรรมดาเนี่ยมจะแบบเหมือนกับว่าพอไปบายก็ท้องมีจะลมเต็มภูมิเลยครับหายลมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับจะเหมือนกับว่ามันจะจอดอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะเป็นประจำมาที่นี่มันมันหายไปทุกคนมันจะสอดมันจอดจอดครับมีโอกาสตจอดก็มันปิดผลิตการหน้าอยู่เลยในภูมิท้อง ลมลำไส้ไม่เดีเท่าไหร่ต่อไปก็คือเรื่องของไอเรื่องภูงแพ้นี่นะครับก็คือคันนี่นะฮะที่หมาวามในท้องเนี่ยที่มันมีไข่ลงมันมีท้องอืดอยู่บ่อยๆเลยมันก็ไม่ใช่อืดเท่าไหร่ครับแต่ว่าพี่คิดว่าตอนบ่ายมันจะมีการลงติดตอนบ่ายตอนบ่ายลมก็จะมามาแล้วเป็นภูงพุทธก็จะมัดไข่ลมออกไปตอนนี้มันหมายความว่ามันลดลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้จากเดิมามันลดไปนะฮะก็คือว่า เรียว่าแต่สิบเก้าสิบเปอร์เซนต์เลยนะรเรื่องจมูกนี่ก็หายไปเยงี้นะแต่ว่ามันก็ยังแปลกๆดีมันมันสาม้ายสลับฝาอยู่โดยก็ยิ่งวันฝนมา เ, เอาละมันต้องตันบ้างอะไรเนี่ยหายไปบ้างอะไรแต่ส่วนใหญ่มันหายอยู่นะครับค่ะก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะเอ้ยอันนึงนะครับก็คือเรื่องของอหูจิงเนาะก็คือเรื่องจากว่าใช้โทรศพัพท์มานานฮะจนจนกระทั่งเออบริษัทเขาให้เป็นสิบปีอะนี่เรียกอะไรนะ แสดงว่าใช้เธอศัพท์มอถือมานานหูตึงครับหูตึงค่อนข้างตึงสิบปีนี้คือให้ใช้ฟรีลิขเลยก็ใช้มาเรื่อยนะตามโปรโชั่นต่างๆใช้มาเรื่อยบริษัทก็ให้เป็นรางวันอะไรบางอย่างใช่ไหมรางวันใจเยอะก็เลยก็หย่อนหย่อนหูตึงได้แถมมาที่กองเสียบก็ยอดหยอดได้น้ำยานาหยอดอน้ยอดยอนหยอดได้เป็นเงินบ้างก็ดีขึ้นนะคะ ก็คือแบบไม่ไม่ถติดกระหายเต็มที่นะคะัก็คือว่าหนึ่งเก่งแต่ลดลงย่างจริงจริแล้วถึประสงค์ที่ผมมาที่นี่ก็คือมีหลายอย่างเนื่องจากรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็คือว่าคือผมกาลังเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนนั่งเลือกต่างอยู่นะฮะทั้งท้องที่แล้วก็รวมทั้งมีแพทย์แผนอ่าปีก็เรียนกับเพื่อนเรียนกันนะฮะก็คือเป็นนักศึกษาแพทย์ไทยอยู่ที่ราชมงคลด้วยนะฮะก็คือก็อยากคำพูดหนึ่งหมอขอเกลียวบอกว่า ก็คือผมอันนี้ผมผมก็สนใจมากเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยฮะเพราะว่าเชื่อในเรื่องของภูมิปัญญาของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่กศึกษานะฮะเลยพอยิ่งอย่างไปเรียนแพทย์แผนไทยแล้วไปเรียนตำราของพยากาลนะฮะก็ไม่ถึงว่าแพทย์อิสานเนี่ยมันมีตำราแพทย์แผนไทยของอิสานเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้า น, นรเรียกว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยมี ใช้พืชใช้ตำราก็ไม่เหมือนกันนะคุณแต่ว่าตัวนี้ยังศึกาไม่ถึงแล้ว่าคนเอินไม่คนท่าคนท้า ก, กออกก็เลยไม่ครู้จักตนไม้ยีสตท่าไหรแต่รู้จักเรื่อยๆนะคะซึ่งก็มาที่นี่ก็ถือว่าบรรลุประสงค์ซึ่งก็อยู่นานมากถึงเจ็ดวันครบลุกเสกยังไม่ไม่ครบเท่านี้นะแล้วก็คุ ณ, คณหมอทุกท่านนะครับก็ทท่านอาจารย์ด้วยนะ ค, ะค่ะเยียนร้มดีครับขอบคุณ ค, คุณประเสริฐหรือคุณต้นดินนะ ในบ้านจะพูดใดสักคำไหมจ๊ะเอ่อในบ้านฝากพ่อบ้านมาแล้วนะคะทีนี้ขาเชิญอะไรกาขาเชิญเลยเนาะเจ็บต่อเลยคนที่จะกลับเนาะเอ่อเป็นนักศึกษาราชพัฒก็ไปต่อยอดตรงนั้นมาศึกษาต่อตรงนี้มาศึกษาต่อตรงนี้อีกต่อเนื่องได้นะคะโชรมาหาคุณหมอหรือทหารใครที่จะกลับก่อนเขาเชิญค่ะคนที่ยังไม่ได้กลับให้คุณหมอบรรยายก่อนเชิญเลยเนาะโน๊ะบอกโน๊ตที่นั่ง หอยหอ ย, อ ย, อยกลับเหรอเชิญๆค่ะไ ม, มคไม่ได้กลับนะเชินเลยน้องหอยเหรอชื่อจริงชื่ออะไรสวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อประพัชยาตั้งสวัสด์นะคะ อ, ะอายุสี่สิบเอ็ดปีที่มาเข้าค่ายครั้งนี้นะคะก็คือมาอพาคแม่มารักษาคนะคะอือคุณแม่อาจารย์เกสดเรื่องสัง่งอนี้ไม่ทราบสาเหตุนะคะ อาการก็จะมีเลือดปกช้ำตานตัวเนี่ยคะ่ะแล้วก็อ่อนเพลียค่ะค่ะแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาแ ล, วแล้วคะ่ะค่ะแล้วที น, นี้ก็ก็ตอนนั้นก็มีเอ่อเพื่ อ, <ะ>อคุณแม่ของลูกค้า น, นะคะก็คะเคยมาเข้าใจปฏิบัติาร ท, ที่ก็แนะนำมาก็้วก็ เให้ฐานย่านางทแล้วก็เ อ, อหาหนังสือความรับฟ้าหนังสือยานางอะไมาให้ค่ะค่ะก็ดูจากหนังสือความรับฟ้าก็ก็มันเป็นการแบบฝักสภาพหญินหยางฝักสภาพสมดุลในร่างกายอะไระก็คือว่าหลักการก็คือว่าคนเราจะป่วยก็จากร่างกายไม่สมากกาไม่สมสดุลอะไรเงี้ยค่ ะ, คะก็ก็เห็นด้วยกับหลักการนะคะก็เลยทดลองมาปฏิบัติกับคแม่ดูค่ะ แล้แล้วเจดี้์อ่าพอพอลองให้คุณแม่ในระหว่างที่เกล็ดเลือดต่ำมากๆเนี่ยคือจากคนปกติเนี่ยเอ่อประมาณเอ่อหนึ 1, 5, ่งแสนห้าหมื่ถึงสองแสนใช่ไหยคะเก็ดเกล็เลือดจะประมาณนี้แต่ในนี้คุณแม่ลดลงมาต่าเหลือห้าพันสองพันอย่างนี้ยมากซึ่งอันตรายมากก็ก็ไม่รู้จะทำํำยังไงคุณหมอก็มีแต่ให้เลือ่อนให้เลื่อนไปสักหน่อยอนึงก็เก็ดเลือด ก, ก็ลดลงมาอีก ค่ะแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ให้คุณแม่ทานน้ํานานามไปด้วยค่ะพอมาถึงที่นั่นก็ให้ทานให้ น, น้ํำยนานามไปด้วยแล้วก็เอากับยานามมาปอ ก, กๆตามรอยที่สั่งหมายถึงว่าที่นี่หรือที่บ้านที่บ้านค่ะก่อนที่จะมาคับค่ ะ, คะ คือปรากฏว่าลองปลปุกเลยช้ำเลยก็ดีขึ้น ค, ค่ะก็เลยเออน่าจะใช่ค่ะก็เลยลองล อ, องให้ทานทานาต่อไปในระหว่างนั้นที่มันต่ำมากๆเนี่คุณหมอก็ให้เกลเลือดก็ไปเพิ่มแล้วก็ให้สเตียรอยด์ค่ ะ, คะแล้วก็ทานอยู่สักระยะหนึ่งสักประมาณสองเดือนเกลือเลือดก็ขึ้นมาปกติค่ะค่ะทีนีค้คุณหมอก็ท ย, ยอยลดสเตียรอยด์ลงอ่าค่ะพอลดสเตียรอยด์ลงตอนนี้หยุดเลยอยุแล้ว เพราะว่าเกลเลือดขึ้นมาระดับปกติแล้วลดโดยที่คุณหมอราสั่งลดค่ะคืออันนี้ก็คืออยู่ในความดูแลของคุณหมออยู่ตลอดแต่ี้คุณหมอก็ให้ลดคือเก็ืเลือดขึ้นมาจะระดับปกติแล้วรอดูสักประมาณเดือนหนึ่งก็ยังปกติอยู่แในระหว่างนี้เราก็ให้ทานน้ำยานางโระคาล์ซนเคนางอะไรต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วพอคุณหมอให้รดปุ๊บแค่ก็จะมีอาการปวดข้างเทียมค่ะค่ะ ก็จะมีหงุดงไม่ไ ม, ไม่ไม่ทานข้าวแล้วก็อ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้นี้คือในยันระหว่างนี้ก็คิดว่าพออยุดเสตียรอยปุ๊บแต่แต่ว่าเกจเลือดก็ไม่ได้อยู่โลงก็คิดว่าออ ม, มันน่าจะใช้ได้ในระดับหนึ่งค่ะค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีอาการพรัวพมอะไรอะไรอยู่บ้างค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊พูดถึงจะทานมาก็เยอะอยู่เหมือนกันน้ำยนานาเนี่ย ีเดแล้วนะคะก็ทานมาสักประมาณห้าหเดือนแล้วก่อนที่จะมาตอนที <OR> like JI, ่จะมาเข้าคอร์สทำไมถึงตัดสินใจนะเขคอร์สคะเพราะว่าดูจากในหนังสือเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าจุดพอดีมันอยู่ตรงไหนเช่นบอกทานจืดๆหรือว่าอ่าอะไรล่ะน้ำเย้นางเนี่ยค่ะ ปั่นตอนแรกคุณไม่ทราบนะคะอยากให้หายเรยวก็น้ำนํำยันน์ใบยันนานเยอะๆเลยค่ะแล้วก็อเอาค้นๆเลยะ ค, ะค่ะทานยากมากอส่าห์ทาแม่ทานเองหรแม่ทานที่ทานยากหนูเองก็ทานยากคุณแม่ก็ทานยากนะคะก็ะะะอุตส่าห์ทานมาทราบตอนหลังว่าไม่ใช่ทานใส่จานก็ได้เหมือนน้ําทานสบายๆอะไรเ<ช> <c oughs> นี่ยเนี่ยค่ะเพราะว่าดูแี้ถือบางที บางทีเราก็ถามมันไม่เข้าใจเลยหรอกใชค่ะไม่ได้าใจเลยก็มาเท่าคอเลยนะใช่เลยค่ะพอมีโอกาสทํางานเซียงานเรียบร้อยเลยก็เลยถามคุณแม่มาค่ะพอมาถึงก็่มาพบคนที่รู้สึกประทับใจว่าประทับใจในอุดณาการของคุณหมอเกี่ยวแล้วก็ ในทีนีคะทุกท่านที่มีความตั้งใจจริงนะคะที่จะให้คนคนจะความทุกความจัดความทุกจัความโรคภัยโรคยเพจเสรค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเลยทั้งโยคะทั้งอะไรก็รู้สึกว่าเออชอบเพราะว่าต่างใจคือโดยก่อนที่จะมาก็คือเห็นด้วยในหน้าตาแล้วค่ะ พอมาก็ใช่เลยก็ใช่เลยแล้วก็แล้วที่ประทับใจมากที่สุดก็คือธรรมะของคุณหวงเขียวค่ะก็คือ่ด้มีความสามารถในการอธิบายธรรมะได้ให้เห็นได้ให้เห็นได้ชัดเจนเข้าใจเข้าใจง่ายงแล้วก็ดค่ะใช่ง่ายเข้าใจง่ายใช่ค่ะตรงไปดินแล้วออกมาค่ะท่านโทษหนูไม่เข้าใจไหมไม่มีค่ะ 응คุณหมอได้บรรยายอย่างนี止止้แล้วน่าจะน่าจะตอนแรกก็อยากจะมีพอเจออย่างนี้ก็เอออม่ได้ก็ได้แค่คนที่น้องคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอฮะแค่แค่คนไม่มีครอบครัวตอนแรกอยากจะมีตอนนี้เมื่อนี้ก็ได้ทุกคหก็ดี่เหมือนกันแต่ทุกเลย่องแล้วก็เออขอ ขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็ทุกคนทั้งทีมงานทั้งอาจารย์สุภาทั้อคุณหมอนาคะแล้วก็แม่ครัวแล้วก็ทุกคนเลยสตารนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเรื่องอะไรอยู่อยู่ทำบัญชีค่อยู่ที่ไหนอยู่ที่คุงเทพกันงานนั้นเป็นงานที่ เป็นงานของเราหรืองานยาส่วนตัวค่ะเป็นเ อ, อทำบัญชีจะทำบัญชีอิสระนะคะค่ะหมายถึงว่าเราจัดสรรเวลาได้ที่จะมาใช่ถ้าอย่งายงไงถ้ายังไงจะฝากว่ในหัวใจหนูว่าที่นี่ยังขาดคนอยู่หนูรับไปพิจารณาด้วยนะค่ ะ, คะมีมีโอกาสก็จะก็จ ะ, จะหาโอกาสช่วยเหลื อ, อไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะค่ ะ, คะแล้วก็เสุดท้ายนี่ก็ ข อ, อคุณพระคุ้งคองนะคะทุกท่านที่นี่ให้หายจากโรคไฟใก้เฉ็ยที่กำลังประสบอยู่แล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขเจรรุ่งเรืองต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ ะ, คะสำหรับคนที่จะไปตอนนี้ไม่เีนียวช่คะ ไม่มีจะได้เชิญคุณหมอหนุ่มจะได้กลับไนเชิญคุณหมอได้บรรยายต่อเพื่อคนที่อยู่และกำลังจะไปก็ได้ความด้วยเสรวนหนึ่งนะคะนะคุณหมอฮ ะ, อะก็คงแค่นี้ก่อน